63. คนไม่บริสุทธิ์แม้แต่ศีลห้าอย่าให้ไปแก้อะไรเลยและคำสอนของพระบรมศาสดาของพุทธก็สอนอย่างสำคัญยิ่งอยู่แล้วเป็นทฤษฎีวิเศษคือไตรสิกขาผู้ที่เกิดเป็นคนที่ยังไม่จบกิจแห่งการศึกษา จะต้องศึกษาอบรมตนแก้ไขตนอยู่ตลอดเวลาให้ดีก่อนแล้วจะทำอื่นได้ดีตามถ้าหากศีลจิตปัญญาของใครยังไม่ดีจริงแล้วจะมัวไปแก้อะไรอื่นให้ดีอย่างบริบูรณ์และย่่งยืนถาวร น, นั้นไม่ได้โดยเฉพาะจิตของคนอันเป็นประธาน ของทุกสิ่งทุกอย่างมะโนปุพังคมาทำมาอย่างวิปลาสจากความจริงวิปลาสจากสัจจะอยู่ประชาธิปไตยของโลกมีให้เราศึกษาเหตุนิทานสมุ ท, ทยัยปัจจัยที่มันแสดงผลไปแล้วให้เราสามารถศึกษารู้เห็นได้มีมากมาย คนผู้ที่มีนิสัยวิสัยอนุสัยเลวชั่วสามนั่นเองที่ใช้คําว่าประชาที่ประจันนิและมาเป็นเครื่องมือหลอกประชาชนได้อย่างเก่งกาจที่สุดไม่เห็นหรือทั้งเหตุนิทานสมุทยัยปัจจัยที่ผ่านกาลละมาแล้วไม่ว่าในอดีตหรือในปัจจุบันนี้ เขาอ้างประชาธิปไตยใช้คำว่าประชาธิปไตยนี่แหละที่ทาลายความเป็นประชาธิปไตยแท้ๆลงไปอย่างหน้าด้านที่สุดใช้อำนาจที่มีแก้กฎหมายเพื่อตนก็ทำใช้อำนาจหมู่แก้กฎหมายเพื่อตนก็ทำทำผิดกฎหมายมันดื้อดือนี่แหละใครจะทำไม เยยหยันกันเห็นเห็นก็ทำแล้วทำอะไรคนนิสัยชั่วนั้นไม่ได้เห็นบ้างไหมล่ะมีตัวตนคนจริงทำให้เห็นชัดเจนอยู่ต้อ ง, องเห็นความจริงที่มีหลากหลายบทเรียนกันบ้างไหม